ีงานหนังสือความสวัสดีเรียบเรียงโดยอาจารย์พรรัตนสุวรรณอาจารย์ผู้ทรงคุณวุฒิแห่งมหาวิทยาลัยสงของไทยแนะนำเนื้อหาโดยผู้บันทึกเสียงความสวัสดีคือความพ้นทุกข์การเข้าถึงสัจธรรมการรู้จักชีวิตรู้จักตัวเองตามความเป็นจริงอธิบายถึงความสำคัญในการศึกษาหรือเผยแผ่ธรรมะให้ถูกทาง และเกิดประโยชน์กับคนทั่วไปได้จริงโดยเฉพาะในแง่การละศักยะทิฏฐิการเลิกยึดมั่นถือมั่นในตัวตนว่าเป็นเราเป็นของเราซึ่งเป็นสังโยชน์ข้อสำคัญข้อแรกในการบรรลุธรรมเป็นขั้นต้นสู่ความเป็นพระโสดาบันซึ่งปิดอบายภูมิและนำให้ถึงความสวัสดีได้อย่างแท้จริงที่ตามปกติมักสอนข้ามขั้นไปสอนหรือไปยึดถือคาสอนในระดับสูงสุด จึงทําให้คนทั่วไปทําตามได้ยากซึ่งมีวิธีที่ดีกว่าที่ควรศึกษาและเข้าใจตามลําดับอย่างไรหัวข้อที่สําคัญเช่นการเข้าใจตัวตนที่แท้จริงที่ยังต้องเวียนไหวตายเกิดเพื่อใช้อัตตาและอัตตาไปตามลําดับขั้นเปรียบเหมือนการปีนบันไดเชื่อขึ้นหน้าผาที่ต้องละขั้นแรกเพื่อยึดจับขั้นต่อไปตามลําดับจนถึงขั้นสุดท้าย เมื่อถึงจุดหมายแล้วจึงปล่อยได้อย่างสิ้นเชิงพระโสดาบันละความยึดถือว่าเป็นตัวของตนได้คือมีความเห็นอย่างไรหลักสำคัญในการพิจารณาจิตและความคิดความนึกคิดกับตัณหาอุปาทานการรู้แจ้งความจริงหลักสำคัญให้คนเรามีความสวัสดีตลอดกาลนานการเข้าใจตัวตน คือวิญญาณที่ยังมีวิบากเพื่อเข้าใจอนัตตากฎแห่งกรรมและหลักธรรมอื่นๆได้ง่ายขึ้นความจริงสุดท้ายเพื่อการบรรลุธรรมเข้าใจเรื่องจิตหรือวิญญาณอันเป็นตัวชีวิตตัวจริงการถ่ายทอดความรู้จักวิญญาณเรื่องจิตคือพุทธะการละความยึดถือตัวตนสกยาธิฐิสู่สความเป็นโสดาบันทำอย่างไรจะไม่ทุกข์ มีกำลังใจสดชื่นอยู่เสมอวิธีกำจัดความกลัวความเป็นห่วงตัวเองหรือทำให้น้อยลงได้แม้ยังแก้ที่เหตุภายนอกไม่ได้เช่นกลัวเสียชื่อเสียงกลัวลำบากกลัวไม่สวยกลัวแก่กลัวตายความเสียหายของคนที่สอนหรืออ้างกันแต่หลักอภิธรรมหลักปรมัตดซึ่งแม้จะเป็นความจริงแต่เป็นสิ่งที่คนทั่วไปยังเข้าไม่ถึงไม่ค่อยนึกถึงผลในทางปฏิบัต และลำดับขั้นของคนแนวโดยสังเกตสำหรับคนทั่วไปเข้าใจได้ง่ายเกี่ยวกับทางแห่งอริยามรรคความสิ้นทุกขการบรรลุธรรมคำสอนทุกบทสรุปแล้วรวมอยู่ในคำว่าไม่ควรจะอาศัยอะไรคือไม่ให้อาศัยสิ่งภายนอกและทำทั้งปวงไม่ควรยึดมั่นถือมั่นแต่จะสอนหรือจะศึกษายอย่างไร ให้คนทั่วไปเข้าใจหลักสาคัญเหล่านี้และทำตามได้การสอนธรรมะที่ยึดแต่ตัวอักษรเล้นรักษาข้อความตามคัมภีร์โดยขาดความเข้าใจในการอธิบายถ่ายทอดที่เหมาะสมกับคนในแต่ละยุคทำให้คนมองไม่เห็นประโยชน์ของศาสนาหรือมองว่าดีแต่ไม่มีทางทำตามได้เหมือนยาดีแต่จ่ายไม่ตรงกับโรคหรือให้ปริมาณที่ไม่พอดีกับอายุและอาการของคนไข้ วิธีรู้จักตัวเองหรือตัวตนที่แท้จริงซึ่งเป็นการพูดในขั้นสมมุติบัญญัติไม่ใช่ปรมัตา์การเข้าใจหลักปฏิจจสมุปบาทเรื่องวิญญาณเป็นผู้สร้างชีวิตหรือเป็นปัใจจัยให้เกิดนามรูปอันเป็นหลักสําคัญมากเป็นการเข้าใจเรื่องวิญญาณและกฎแห่งกรรมในขั้นต้นที่จะรุยทางไปสู่ทางสวัสดีต่อไปแบบตรงทางและง่ายขึ้นการแก้ปัญหาทุกใจทําอย่างไรจะไม่เศร้า ผิดหวังเรื่องรักของหายความกลุ้มใจเรื่องลูกตัวอย่างคำสอนของนิกายเซนในสูตรว่าหล่างที่โด่งดังที่แม้ท่านพุทธทาสและหลวงปู่ดูพรมปัญโยสิทธิเอกของหลวงปู่มั่นยังนำเผยพระสั่งสอนสิทธิ์ที่เป็นการเรียนรู้เรื่องอัตตาคือจิตเดิมแท้เพื่อเข้าถึงอนัตตาต่อไปที่ต้องตีความให้ถูกตรงกับจุดประสงค์ที่แท้จริงว่าหมายความแค่ตรงไหน ที่จะไม่ขัดแย้งแม้กับหลักอภิธรรมสำหรับเนื้อหาในเรื่องความสวัสดีนี้เป็นการชี้แน่นวเบื้องต้นถึงหลักสำคัญที่ต้องใส่ใจรู้ให้ได้แต่การจะเข้าใจได้ลึกซึ้งจริงๆควรได้ศึกษาหนังสือเล่มอื่นประกอบด้วยนะครับจึงจะทำให้เข้าใจได้ง่ายและถูกต้องตรงทางขึ้นแนะนำให้ฟังเสียงอ่านทั้งหมดที่เขียนหรือตีพิมพ์เผยแพร่โดยอาจารย์พรซึ่งจะมีทั้งท่านเรียบเรียงเอง และหนังสือแปลจากเรื่องของต่างชาติโดยจะมีการสรุปสาระสําคัญที่มาจากพุทธวจนะโดยตรงซึ่งท่านจะกระจายอธิบายไว้ในทุกเรื่องเพื่อสรุปลงให้เข้าใจหลักสําคัญที่สรุปลงในคําว่าวิญญาณเป็นปัจจัยให้เกิดนามรูปหรือวิญญาณเป็นรากฐานของสิ่งทั้งปวงสิ่งทั้งปวงสำเร็จมาแต่วิญญาณอันจะทำใหลาสกยาทิฏฐิในเบื้องต้นได้ซึ่งเป็นสิ่งจําเป็นมากเป็นจุดเริ่มต้นแห่งการปิดอบายภูมิได้จริง และเป็นคำสอนเดียวที่มีในพุทธเท่านั้นที่ต้องทำความเข้าใจตั้งแต่ยังมีชีวิตเพราะหากตายไปทั้งที่ยังมีความเข้าใจผิดจะแก้ไขความเชื่อที่ฝังจิตไว้ได้ยากมากซึ่งความเข้าใจผิดนั้นก็สามารถสืบต่อส่งผลเสียให้ได้อีกหลายภพชาติข้างหน้ารวมถึงไม่มีหลักประกันได้เลยว่าเราจะได้โอกาสกลับมาเกิดเป็นมนุษย์และมีปัจจัยแวดล้อม ส่งเสริมให้ศึกษาและปฏิบัติได้สะดวกเท่ากับในภพที่เป็นอยู่ณนขณนะนี้นะครับเสียงานโดยอริยคุณจมรงผลดีจัดทาเพื่อเป็นธรรมทานโดยพันเอกอํานวยสีมนทนนริมนสีมนทนจรลันิสาเบอรุตตาขอทุกท่านร่วมมนุมโมทนาชีวิตคนคนหนึ่งเปลี่ยนไปได้ด้วยธรรมะ